เกิดในฐานะอะไรเป็นเศสัตวชนิดไหนแล้วอายุเท่าไรหรแล้จะเป็นใหา่อย่างไรจนโบราณก็บอกว่าเต่าเนี่ยอายุเป็นได้หลายร้อยปีจริงหรือไม่ เ, เราไม่ทราบหรือต้อนไม้บางชนิดมันเป็นได้หลายร้อยปีหรือได้หลายวัตถุที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นได้หลายล้านปีอาตมาเองก็เคยคิดไปว่าเอ้มันเป็นไปได้ยังไงต้นไม้เป็นหิน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 ให้พวกเรามาศึกษาวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทําอะไรอยู่จริงที่เราทํานั้นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษหรือเป็นคุณนะถ้าเราอยู่โดยที่ไม่โดยปัศ จ, จากประโยชน์หรือมีแต่โทษหาคุณมิได้อย่างนี้ถ้าเรียกว่าโมฆะบุรุษหรือโมฆะเป็นคนที่ว่างเปล่าหาประโยชน์ไม่ได้นะ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 ถ้ามีธรรมชาติที่ติดมานจะหาความดีมีได้เลยสักอย่างเดียวมีธรรมชาติอย่างเดียวที่มันให้เกิดขึ้นให้ตายนั่นเนี่ยมันก็ไปเป็นเหตุว่าเออมีตรงนี้ที่อื่นมันหาดีไม่ได้เลยเป็นพญาก็ว่าสามีมันกันโอ้โหสามีเราเนี่ไม่คิดว่ามันจะเร็วอะไรขนาดนั้นเกิดมาไม่เห็นมันทําอะไรสักอย่างเดียวเห็นคุณงางความดีมันจะทําเพื่อประโยชน์ครอบครัวตัวเราจะได้พึ่งพาอาศัยอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไง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 มันผ sí, ู si, ada, el el e ero, ้ชายทําได้ผู้หญิงก็ทําได้แต่ผู้หญิงทําแล้วมันมีปัญหาที่ผู้ชายทําแล้วปัญหาไม่ค่อยมีเรื่อการมีความรักความใคร่ระหว่างกันอะไรการนี่ผู้ชายทําแล้วมันไม่ได้อุ้มท้องนี่ผู้หญิงทําแล้วมันอุ้มท้องประจานต่อสังคมประจานต่อส่วนรวมนี่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้ว่ามันไม่เหมือนกันเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่เหมือนกัน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 ร้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์โลกนี้จึงมีแต่ความทุกข์เท่านั้นเองดันั้นความทุกข์ที่ที่ทรมานนี้ผ่านมาผ่านไปบอกว่าพรธเจ้าจึงบอกให้เราพวกเราการเวลาผ่านไปแล้วทำอะไรอยู่จะทําทคุณงามคุศลดีจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีแต่ทําอะไรสักอย่าง ใ, ให้มันเกิดขึ้นมันก็ไม่มีเลยอาตมาว่าเอาเธอโยมไม่มีใครที่จะบังคับโยมได้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 จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็หาไม่ได้แต่บางคนน่นเยอะโ อ, โโอ้เห็นหน้าเสียดหน้าหน้าหน้า น, านาโมธนานะบางคนเขาเป็นเสรียรมหาเสรียรเขาล่ํารวยมาด้วยอํานาจไกลเด่งแล้วก็เขาก็ไม่อยู่เฉยๆเขาก็บริจาคทำโน้นทํานี้ทํานี้ทำโน้นทำโน้นทํานีทนน้ทํทททาด้วยประกันต่างๆเพื่อสองเคราะห์คนยากจนเพื่อสงเคราะห์ในส่วนรวมเพื่อส่งเส้นถนนหนทางที่ไปมาที่สะดวกสบายหรื อ, อที่อยู่ที่ใส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 เรียว่าเลี้ยงลูกให้โตแล้วก็จะหมดไม่มีหมดอยู่ออกจากลูกก็ยังหลานออกจากหลานก็ยังเหลนขอโทษทีไม่มีลูกก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะอาตมาเห็นเยอะแยะไปที่มาหาอาตมาหลายคนมีภรรษทีงต้องดูแลคือแม่มีภรระต้องดูแลคือพ่อถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ก็มีโอกาสได้มาวาดัดมาวาได้มาม า, มาปฏิบัติธรรมเมื่อคุณพ่อคุณแม่ตายไปขอโทษทีนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว เพโทษทีเลี้ยงสุนัข응เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เยอะแยะมากมายโอ้ยรักหมารักแมวยิ่งกว่ารักพอ่อรักแม่อีกเ응ย็นมาก็ทําให้จินแล้วซื้อไก่ซื้อกาซื้อปูซื้อปลาซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้มันจนีเลี้ยงมันทุกวันทุกวันมันก็ไม่ได้อะไรได้แต่เหาได้แต่หอนลาคันต่างหาเวลามันเป็นสัตว์มาเราโอยเยอะเวลามันทะเลาะกาัน ว, ว, ว, วิว่ากันกาดกันวุ่นวี่เงเราก็เลยต้องไปตบไปตีมันอื응 ก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกยิ่งกว่าโอ้โหยิ่งพ่อยิ่งแม่เรายิ่งจะมีบุญคุณนี่ไม่รู้จะเอาบุญคุณกับมันตรงไหนหรือมันดีอย่างไรเนี่ยแน่นอนแหะตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ ก, ก, ก็น่ารักกันทุกตัวแล้วหมาก็น่ารักคนก็น่ารักขนาดนี้แต่พอโตขึ้นมาแล้วมันน่าเกลียดกว่าจะเป็นหมาขี้เล่นก็ดีคนแก่คนหงอมก็ดีคนป่วยคนไข้ก็ดีแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าขยะแขยงใช่ไหมโยม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 ไม่มีใครรู้มาก่อนในโลกนี้ผู้เตเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อไร่มาศึกษาแล้วก็มาหาความรู้ว่าชาติมันเป็นอย่างไรชรามันเป็นอย่างไรโมระมันเป็นอย่างไรการเกิดการแก่เรื่อการเก็บการตายมันเป็นอย่างไรก็มาศึกษาข้อมูลดูก็ปฏิบัติดูถ้าเราไม่แก่ถ้าเราไม่เก็บถ้าเราไม่ปวดถ้าเราไม่ไข้ถ้าเราไม่ตายมันจะเป็นยังไงโยมสังเกตดูนะจิตของคนเนี่ยจิตของคนรับรู้อารมณ์เฉย หน้าที่ตาหน้าที่หูหน้าที่ของจมกูกอย่างที่ว่าหน้าที่มือหน้าที่เท้าหน้าที่วายวะวาส่วนใดส่วนหนึ่งมันทําหน้าที่ของมันนะอย่างที่ว่าถ้ามันทําหน้าที่แล้วก็รู้ตามความเป็นจริงของมันเทว่าอย่าเอาเลยโยมมีลูกอย่าเอาลูกมีหลานอย่าเอาหลานมีเงินมีทองมีข้าวมีของอย่าเอาเอาก็เอาไม่ได้อยู่แล้วแม้กระทั่งสังขารร่างกายก้อ น, นี้ที่เราถะนุถนอมมันเนี่ยเราก็พยายามดูแลบางคนโอ้โหอย่างอายุห้าสิบอายุหกสิบไปปรับปุง ให้มันไม่แก่มันไม่แก่ได้ยังไงอยู่เออไปตัดหน้าแต่งหน้าเถิมหน้าเถิมจมกูกเริมปากเถิโอ้อะไรอะเยอะแยะมากมายให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เยเวลาลุกเวลาเดินเวลาเหินเดียมันจะบอกเวลาเก็บเวลมันจะบอกว่าโอ้คนแก่จะมีการปวดเส้นปวดเอ็นปวดนื้ปวดนีดน่โดยเฉพาะหูตาไว้จะวะส่วนต่างๆมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินั่นคือมันเป็นธรรมชาติอยู่ เมื่อสังขรารร่างกายมันเสื่อมไปอย่างนี้เสื่อมไปอย่างนี้เราจะเรียกกลับมามันเรียกมาไม่ได้แล้ววันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปอย่างนั้นเราก็ต้องมารีบทําคุณงามคุณดีศีลไม่มีเต้างยามรักษาศีลอยเคยรักษาศีลไหมล่ะกินห้าเคยรักษาไหมโยมหรือโบโสดศีลเคยรักษาไหมเดือนหนึ่งอขอเวลาสี่วันจากการรักษาศีลไม่ได้บ้างเลยเราเกิดมากับโลกปีหนึ่งถึงสามร้อยกว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะเอาศีลให้ทักนะสิบวันยี่บวันบ้างแหล่โยมเช่นวัน เข้าวันษาเนี่ยวันพระสามเดือนมีสิบสองวันโยมจะเอาสิบสองวันเนี่ยถวายพระเจ้าด้วยการปฏิบัติให้มีทมให้มีสิ่เกิดขึ้นในตัวเองไม่ได้บ้างเลยไม่ใช่ว่าเออเราสบายแล้วมาต้องทำไม่ไม่เกี่ยวกันเลยโยมทับสมบัติภายนอกคุณเป็นของภายนอก อยู่บ้านเราอยู่ดีเกิดมีอะไรขึ้นมาปุ๊บหายหมดทั้งหลังไปยังไงเห็นไหมเสิาะมิมันมาหายทั้งหมดเลยมันไปนไหนอยู่ไม่ใช่ของเราเตเมื่อไรแต่ทรัพสมบัติภายในคุณงามความดีของเราบุญกุศลของเราในต่างหากและเป็นของเรานั้นมามารักษาศีลอุเบกษกันมารักษาศีลภาวนาเรามาภาวนาดูว่าอะไรเป็นอะไรสังขารร่างกายก้อนนี้เป็นยังไงยมสังเกตได้ไหมความวุ่นวายของโยมตั้งแต่ตั้งแต่เล็กเล็กจนถึงปัจจุบันนี้ ยิดว่ามีครอบครัวมีผัวมีเมียแล้วก็จะสบายก็ไม่ใช่หรืมันก็ทุกอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเป็นเด็กก็ทุกแบบเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ทุกแบบผู้ใหญ่มีครอบครัวก็ทุกแบบครอบครัวเป็นคนในฐานะอะไรก็ทุกในฐานะอันนั้นเป็นเศรษฐีก็ทุกแบบเศรษฐีเป็นราชาก็ทุกแบบราชาเป็นข้าราชการก็ทุกแบบข้าราชการทหารตำรวจก็เหมือนกันก็ทุกกันลักษณะอย่างนั้น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 อาตมาว่าสภาวะอันนี้แหละที่เรามองข้าม่มันเป็นสภาวะที่เราต้องมาศึกษาการทําอยู่ซ้ำซ้ำซากซากเราก็เลยเพลิดเพลินอยู่ในการกระทําว่ากินทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเป็นความสุขถ้ามองเพลินเลก็ถูกต้องถ้ามองการนึกๆแล้วโอ้ไม่หาความสุขไม่ได้เลยโยมเ อ, อ้ยวันวันวันวั น, ว, น, ว, นวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งกแก่เท่าไปแล้วทํากระทําำซ้ำซากเห็นไหมโยม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 ลำดับน้ํานะลาดับน้ํามันจะไม่สูงไม่ต่ํามันเสมอกันถ้ามันเสมอกันแล้วมันจะอยู่มันจะไปไหนไม่ได้นะฮะอนี้คนเราทุกคนนี่นะดังนั้นเราเกิดมาเกิดมาแก่แก่เก็บแล้วตายแก่เก็บแล้วก็ตายอย่างนี้มันก็เป็นอย่างงี้มันก็ไหลไปอย่างงี้ไม่มีคำว่าสิ้นสุดเกิดมาต้องแก่ต้องเก็บแล้วก็ต้องตายนู่นนี่อยู่มันจะเป็นไม่ไม่ไม่ไม่ไหลกับตัวเมื่อที่มันไปถึงจุดนั่นแหละทะเลนี่มันเป็นสิ่งที่รับ รับน้ําที่ตกมาจากท้องฟ้าตั้งแต่เราเกิดมาในฝนตกมาเท่าไหร่เคยเต็มทะเลไหมอืมฉะนั้นสัารโลกทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เกิดมาเท่าไหร่ก็คือไม่เคยเต็มโลกอยู่พีเต่ขยายโลกให้กว้างขึ้นขยายโลกให้กว้างขึ้นอืมฉะนั้นสังขารร่างกายก้อนนี้ท่านทั้งหลายปราดบัณฑิตว่าควรเจ็บสิ่งที่มันมีประโยชน์ใส่เธอบ้างก่อนที่มันจะตาย สั่งสมข้อมูลดีๆเอาไว้ในดวงจิตส่วนสังขารร่างกายเนี่ยแม่นานเท่าไหร่ก็ไปแล้วโยบดังนั้นพยายามว่าอย่าให้มันประโยชน์ที่เปล่าประโยชน์คนจะได้สักอย่างหนึ่งตะวันอย่างน้อยได้อะไรสักอย่างหนึ่งในการทําอย่างน้อยได้สักอย่างหนึ่งในการพูดหรือการคิดนึกของตัวเองก็ทําไปวันนี้คนทําอะไรนาะเราวันนี้ก็ทําอันนี้เอาทําไปเลยวันนี้ทําอันนี้ก็ทําไปเลยอย่าให้มันว่างเปล่าอย่าให้มันปัดสจาก ให้มันได้ประโยชน์จริงๆต่อวันอแต่มาเห็นอพระ ก, ก็ดีเห็นญาติโยมก็ดีบางคนโอ้ยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนโอ้ยโยมนึกถึงที่เขาเขาเลี้ยงหมูไว้เลี้ยงไก่ไว้ให้กินน้อนให้กินนอนให้กินนอนกินนอ น, น, น, อนผลสุดท้ายเขาก็จับมาเชืออ้อจุกอ่าแต่มาไปอยู่ประเทศลาวอยู่หลายเดือนก็เลี้ยงหมูไว้เป็นคอกๆนะนี่เลี้ยงหมูไว้ตามธรรมชาติ หรือเวลาเขาก็เอามาเชื่อโยมมันม่ใช่เชื่อตีตหัวสามป๊กสามทีร้องสามที ส, สี่ทีก็เงียบเอาเฉือนหนังออกใหแร่หนังออกเอาเนื้อมาบริโภคกัน <c oughs> คนนี้คงจะเหมือนกันกนะมักินนอนกินนอนกินนอนเฉื่เ อ, เอเตื่ขึ้นมาก็โอ้ยแล้วผลสุดท้ายก็ตายอยู่โอ้น้าเชิดไดจริงๆอแต่มาว่าเชิดไดชีวิตที่นั่นเกิดมาเป็นมนุษย์น่าทำประโยชน์มากกว่านั้นอืม ทำยังไงเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นเอ้าอย่างน้อยก็ให้มีประโยชน์ตั ว, ตวเองตัวเองและคนอื่นประโยชน์ยังไงประโยชน์ต่อ ต, ตัวเองและคนอื่นเห็นไหมโยมเวลานี้เราเราทําประโยชน์เช่นผู้ที่รู้เรื่องยาอืผู้ที่รู้เรื่องของต้นไม้ Linked อเขาเอาต้นไม้มาทํายาผู้ที่มีความฉลาดเขาเอาต้นไม้มาทําบ้านนผู้ที่เขามีความฉลาดเอาวัด ทุธาต่างๆมาเป็นเครื่องใช้ไม้สวยในที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยเช่นเหล็กก็ดีต้นไม้ก็ดีอะไรก็เลยจะหลายอย่างอยู่มันทำได้หมดโยมถ้าคนที่มีความฉลาดนะฮะแม้กระทั่งพื้นดินที่เรามาทำเป็นบ้านเนี่ยเช่นเอาไปเผาไฟเป็นอิฐเข้ามาเนี่ยก็เป็นดินนั่นแหละเยอยแต่มันเป็นอิฐ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 อย่าเอาใจตัวเองฝากเอาคนอื่นนะไปฝากไว้กับพ่อกับแม่ไปฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวฝากกับตัวเองนั่นแหละตัวของเราเป็นตัวของเราเนี่ยไปฝากไว้เดี๋ยวหายนะโยมคนนี้เราไว้ใจที่สุดแล้วก็ฝากเงินไว้ฝากทองไว้นะคนนี้เราไว้ใจที่สุดก็ฝากผัวไว้ฝากลูกสาวไว้ฝากเมียไว้หมดนะโยมไม่มีเหลือเลยนะจะบอกให้ อย่าไปฝากใครไว้เป็นเด็ดขาดใจของตัวเองเป็นตัวของตัวเงินทองก็เหมือนกันฝากไว้ในค้งพตูตการก็มีนะมีเรื่องไหนเรียกว่าได้ยินไหมที่เัาเรียกว่าอ่าชูชก ก็เพราะเพื่อนไปฝากเงินไว้ฝากไว้ฝากไว้ฝากไ ว, กไว้หรือฝากเพื่อนไว้ผลสุดท้ายเพื่อนโกงเงินไปหมดเอาไปเล่นเอาไปกินหมดเอาไงก็เดือดร้อนตามมา <c oughs> นั่นแหละคือไม่มีใครที่จะไว้ใจได้เท่ากับตัวเองเลยอยู่กันนั้นเราจะพยายามไว้ใจตัวเองถ้าเราไว้ใจตัวเองพึ่งตัวเองนั่นแหละคือการเวลาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราพยายามหาหาอะไรหาคุณสมบัติหาคุณงามความดีเข้าตัวเองก็ได้ ถ้าเราถ้าพูดถึงเรื่องของพระ ส, สงฆ์ถ้าเรียกว่าจเจริญเมตตาภาวนาวันนี้จิตที่เราโหดเหี้ยมที่สุดยาวคลายที่สุดเราจะทําให้จิตมันนิ่มนวลที่สุดจิตมันอ่อนโยนที่สุดนะวันนี้จิตที่มันแข็งกระด้างจิต ท, ที่ไม่มีคุณสมบัติจิตเราพยายามชำระจิตตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ทาละทุกวั น, ว น, วนเมื่อเราชาระทุกวันเนี่ยอาตมาเชื่อมัน่นว่าความสะอาดความหมดจ ด, ดทั้งจิตใจจะมีบุญกุศลเหมือนกันเราทําทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ กนะารกระทวิจีกรรม ม, รรรมโนกรรมเหตุที่ว่ามาแล้วมันเป็นบอเป็นบอกเกิดของบุญโยมมีมือสองมือนี่โยม ม, มือเท้าสองเทา้าในกราบด้วยโยมไหว้ด้วยโยมเคารพนบน้อมกิริยามา ร, รยาการพูดกันจามมันเกิดมาจากตรงนี้เละโยมไม่ได้เกิดมาจากที่ไหนเกิดมาจากการกระทําของเราเองแต่ถ้าเราทําของเราและอาตมาเชื่อมั่นว่าบุญกุศลจะเกิดมาแน่นอนเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะแน่นอนโยม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 ในเมื่อมีความอบอ้อมอรีระหว่างกันอะไรกันอยู่ด้วยกันมีความสุขตัวเองมีสุขก็จะให้คนอื่นมีสุขด้วยใช่ไหมโยบดังนั้นสิ่งที่เราให้คนอื่นมีสุขก็เพราะเรามีสุขแล้วจึงให้คนอื่นได้ถ้าเรามีความรู้ความฉลาดถึงจะสามารถแนะนําคนอื่นได้ถ้าเราเป็นช่างจึงจะแนะนําคนอื่นให้เป็นช่างตามดังนั้นเมื่อเราทําแล้วสิ่งที่เราได้คือนั่นแหละคือวันคืนล่วงไปล่วงไปเราไม่ขาดอยู่ศีลธรรมเราก็มี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 เป็นปลาตะเพียนปลาสอยปลาซิวอะไรพวกนี้ปลาไอตามน้ําน้ำเนี่ยก็ปลาอยมขึ้นโกขึ้นโคนขึ้นพอน้ําลดไปเคยตื้นอยู่ที่สถานที่ต่างๆ่างโอ้ตายกันเกินกาดหมดส่วนปลาใหญ่ฮะเนื้ปลาที่มีอายุยืนีปลาใหญ่ๆ่เช่นปลาบึกปลาสวายปลาอะไรเนี่ยเช่นเจาะนี่พวกนี้มันจะไม่หนีอยู่มันจะอยู่น้ําที่เดือมันน้ำหนีกับน้ำลึกขนาดไหนมากมายเท่าไหร่มันก็ไม่ไปฮะ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 เราอาสังขารร่างกายก้อ น, นี้ทํานะปฏิบัติให้มีความเป็นธรรมขึ้นมารักษาศีลรักษาเจริญเมตตาภาวนาทําจิตให้เสงบปสัสจาโทษทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราทําได้ทุกวันทุกวันเดีย ว, ว, วถือยังไงก็ <c oughs> ตั้งจิตวันพระนี้จะรักษาอวบสดศีลคือวันพระนี้เราจะปฏิบัติตามพระเจ้าสั่งไว้แะ่นั้นแหะพอนะแต่ ว, ว่าศีลธรรมที่พระเจ้ามอบให้สาวกทั้งหลายะถ้าไม่มีศีลธรรม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 ลองวิ่งยมวิ่งดูก็ได้ไม่ใช่ว่าวิ่งไปรอบโลกก็หาความสุขไม่มีพุทธเจ้าไม่เนี่วิ่งหาความสุขในโลกน้้นโลกนี้ไม่มีคนก็คือคนคนเกิดมา ก, ก็เหมือนเรานี่แหละมีหูมีตามีอวัยวะส่วนในส่วนหนึ่งก็เหมือนกันเหมนก็มีแก่มีเก็บมีตายมีการล้มหายตายจากสิ่งที่เราอาศัยอยู่ไม่เนมากมายเห็นไหมโยมพุทธเจ้านี้จากภาษาราศวร ถ้ไม่ระสาทที่เราเป็นวัตสมบัติเป็นประส ت, าทราชรวังก็แ ค, แค่แค่ที่อยู่ที่อาศัยนเองแทนที่จะมีที่อยู่ที่ อ, อาศัยมากมายไก่กองเราจะมีความสุขโอ้ยไปหามีไหนเมีมองลุนดูที่อยู่ถ้ามองด้วยสายตาใช่คนผ่านไปผ่านมาอู้บ้านเขาหลังใหญ่มีเงินคงจะมีเงินมีทองเยอะคงจะมีความสุขแต่คนที่อยู่บ้านน่ยโอ้โหโเต็มทนแล้วโยนนเม เ, เต็มทนแล้วอยากจะหนีเต็มทนเบื่อเต็มทนแล้วทุกเต็มทนแล้วอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะที่เคยเห็นมาอืม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 แล้วก็บอนเทาลงบ้างหยุดการเพื่อเพลินเะบ้างหยุดการล่าเลงหยุดการรุ่มหลงเะบ้างมาทําความรู้ให้มันสว่างสวเถอะบ้างโยมเรียกว่ามืดมาสว่างไปก็ยังดีหรือสว่างมาด้วยอํนานาจของความเป็นมนุษย์ก็สว่างไปก็ยังดีนะท่ะนนยานให้พยามันตั้งใจกันว่ามาปฏิบัติตามกระแสธรรม ท, ที่ผู้เจ้าตรัสไว้เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งตัวเองแล้วคนอื่น ดังนั้นวันเวลาผ่านไปจะให้ผ่านไปเฉพาะวันเวลาเราต้องเข้าใจในธรรมะต้องศึกษาถวายพภานยลมนะต่อไปนี้สี่วันหนึ่งเดือนรักษาศี 5, ลห้ารักษาศีล8ดถ้าไม่ได้ศีล5้าก็เอาศีล8ดเดี๋ยวถ้าไม่ได้ศีล8ก็เอาศีลห้าหรือจะศีลไหนที่มันจะได้ก็เอาศีลเพืเป็นประโยชน์ ต, ตัวเองแหลรเกิดมาจึงไม่เสียชาติเกิด อย่างน้อยก็มีมเรียกว่ามนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติว่างมีสมบัติทางด้านจิตใจในายมนะเอาวันนี้พูดมาก็คงจะสมควรเกียวกัเวลาต่อไปก็คอขอยุติตอนนี้ในการบรรยายธรรมะทั้งนั้นท่านทั้งหลายจงพยายามตั้งอก ต, ต, ตั้งใจเป็นเพ็นคุณนามความดีต่อไปการเวลาผ่านมาผ่านไปก็เท่านี้นายมถ้าเราไม่ทําก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ขอขอยุติในการบรรยายทำเท่านี้เอง